ครูบาอาจารย์ผู้เรืองอภิญญาหลวงปู่ดีฉันโนและผู้ระลึกชาติพุทธศักราช 2473 ปีมะเมีย วันเสาร์คือวันลืมตาดูโลกของทารก 4 <ways> <en> แล้วออกมาช่วยเหลือกิจการงานทางบ้านพ่อแม่เฉกเช่นเด็กอายุ 15 ปีเข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสากแก้วแก่ง ท่านเจ้าอาวาสวัดสีนวลเล็งเห็นว่า 2492 ท่านสมภารจึงทรงส่งสามเณรหนุ่ม มาตามณีพิมพ์ธรรมทโรปีรุ่งขึ้นสามเณรหนุ่มน้อยสอบได้ ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นักเรียนพยาบาลสาผู้หนึ่ง สามเนต์หนุ่มน้อยจึงเข้าไปชมดูพบโครงกระดูกคนตายยืนแขนอยู่ในตู้กระจบกันแถวอดีตของศพเหล่านั้นเป็นบุคคลส่งคัญระดับคุณน้ำคุณนางมีทั้งคุณหลวงคุณพระผู้ยินดีอุติศรากศพให้ไว้เป็นวิทยาธานสามเนต์เดินไปเดินมาอยู่เพียงผู้เดียวท่ามกลางโคงกระดูกกับศพดองยา วงเวียนชวนกดลุกฉันจะเริ่มวาดกวนพันพลึงปลอบใจตนเองว่าอีก เมื่อจิตเลิกตื่นกลัวการเดินพิจารณาศพดองยาซึ่งเปิดเผยเห็นอวัยวะภาย สามเณรคงเป็นเพราะเห็นในสิ่งที่อันไม่เคยเห็นน้อยเช่นวัวควายเป็ดเห็นจนชินตาเห็นจนชินตาจึงไม่ ยามวิการเมื่อลงมาถึงลานในโรงพยาบาลมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับสามเณรหนุ่มน้อยคือตอนเดินมาถึงท่า แล้วก็เห็นผู้คนเป็นขั้นอุปจารสมาธิดู เมื่อละลงมาข้างล่างแล้วละลงมาข้างล่างแล้วจิตก็ยังทรงตัว ศพดองยาอยู่ในปีคู่ฝาแฝดเช่นกันในห้องนั้น เขียนชี้แจงลักษณะอาการไว้ละเอียดละออสมณินทร์โศธเกิดจิต เกิดความรู้ความเห็นอันพิเศษพิสดารใน ค่อยบอกบุตรให้รู้เรื่องราวการเป็นไป ทุกเกียนจะขาดใจทีเดียวแม่มีพระคุณต่ออัตมาล้นฟ้าล้นดินจะขาดใจต้นเคยเป็นใครเดียวแม่มีพระคุณ เกิดเป็นภาพเพลือให้เห็นเหมือนภาพยนตร์ถ่ายทําโดยกล้อง ละสังขารจิตชาตินั้นจึงเข้าอุบัติในตนเองทําอย่างไรบ้างรู้สึก จิตเวลานั้นมีอำนาจในตัวเองครบถ้วน พ่อฝาดูพร้อมกันก็กินพร้อมกันน้ำ ก็มีประจำตนทุกรูปทุกนามความโกรธพุ่ง ความรู้เห็นสะดุดจบรู้เห็นสุดจบลุงตอนที่สามเณรหนุ่มน้อย เช้ารุ่งขึ้นสามเณรหนุ่มน้อยเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ อุทานด้วยความปราลาดใจเป็นล้นพลความจริงที่โยม เพราะจริงๆโยมแม่อธิบายเบื้องหลังในคราวนั้นได้ฟังว่า เป็นผู้ทำร้ายแม่ให้ได้รับ เมื่อพระพิสุทโธกลับมาจากมรรสาอยู่ณวัด ที่วัดภูเขาแก้วมีหลวงปู่ดีฉันโน อัธยบัตของหลวงปู่ดีฉันโนจึงเดินในแนวทางของหลวงปู่ทั้ง ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดีฉันโนหลังจากขึ้นครู กำหนดคือดึงลมเข้าดึงลมออกถึงจะผิดๆ เดี๋ยวมันค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปอยากเพราะอยากแล้วไม่ได้ตามกันทุกอย่างให้มันค่อยๆเกิดสมาธินั่งแล้วๆ พระเดี๋ยวจะมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องเมื่อสมาธิแน่ว ปุตติยฌานหรือฌานลำดับแรก หลวงปู่ฉันโนเมตตาชี้แจงว่าสติกับจิตนี่แหละคือพุทโธที่แท้จริงแปล สติจะรู้ว่าจิตนิ่งไม่ใช่จิตหลับคือจิตมันวางอุเบกขาหรือ นึกเรียกว่าสมเร็จในเบื้องต้นออกเมื่อไหร่ก็ทําได้ๆจะตามมาให้คอย อบรมสั่งสอนแนวทางเจริญกรรมฐานและเชี่ยวชาญทางเจริญกสิณ 10 ประการอย่างยากที่ผู้ใดจะ ผู้เจตฌานตั้งกสิณเท่านั้นจึงจะเป็นผู้เลืองฤทธิ์และศรัทธาญาติโยมนั่ง และพูดเสียงดังกังวานเอ้าเนนมึงลองเป็นไข้วะหลวงปู่ดีฉโนบกล่าวขาดคําสามเณรผู้ปกติทุกอย่าง หลวงปู่เห็นเช่นนั้นก็ชี้นิ้วมือมาทางสามเณรผู้ชักกระงึกกระงักร้องขึ้นดังๆว่าเฮ้ยหยุดสั่นได้แล้วเว้ยหยุดหยุดหยุดสามเณรที่นั่งเหมือน ต่อมาถึงหน้าแล้งหลวงปู่ดีฉันโนถึง คณะเดินท่องทุรดงเดินเหยียบไปบนไม้ไม้แห้ง แขงโอ่แขงใจเดินตามหลวงปู่ไปถึงภูเขา นี่กูจะเรียกเทวดาให้เทฝนเช่นนําฝนจาก ไม่กี่อึดใจต่อมาทืนฟ้ากว้างมีแต่พยัคฆ์แดดอยู่อยู่แห่งเดียวคือที่ภูเขาหัวโลน ซึ่งพระเนนขึ้นไปยืนรวมกันอยู่ที่อื่นไม่เกี่ยว ได้น้ำดื่ม จากคราวท่องไพรอันกันดารมาถึงฤดูหนาวหลวงๆพวก รีดแห่งออกมาระเดลขวัญลูกมะพร้าวมันกําลังจะหล่นใส่หัว มะพร้าวผลดกร่วงหล่นลงมาละลานาตอยู่บนพื้นดินไม่ๆจะหล่นหมดต้นได้เอง ไม่เคยเจอเจอในชีวิตชาวบ้านจึง ชาวบ้านในภาคอีสานนับถือผีปีศาจเป็นส่วนใหญ่ถึง จะแสดงความนับถือผีอย่างสูงสุดทรายวัดแทนยกมือไหว้แสดงความนับผีฟ้า หรือผีแถมอยู่สืบไปชาวบ้านเมื่อทิ้งสังขารแล้ว ให้เจ้าบ้านอย่างซาบซึ้งหันมานับถือคุณของพระ แนวทางของหลวงปู่ดีฉันโนเป็นไปอย่างเฉียดขาดฉับ ประกาศต่อหน้าผีอย่าอยู่ที่นี่เลยอยู่ไม่ได้แล้วบ้าน เย็นแล้วปรากฏว่าหลวงปู่ดีฉันโนท่านกําหนดจิตเพ่ง เพราะเชื่อว่าอำนาจพูดผีปีศาจให้คุณให้โทษ และใกล้ป่าละเมาะหลวงปู่ดีฉันโนถึงอายุพรรษาสูง เนื้อคอเหล็กขึ้นสูงสุดล้าหายใจจะตีทีเดียวให้หลวงปู่มรณภาพทันใดแต่ลูกบ้านผู้ใจธรรมอินทร์เดชชาติต้องตกตะลึงพึงเพริดเมื่อ ยืนยักแย้เดินจงกลมนานพิเศษยันอีหลักอีเหลือขายคือเดินถึงเช้าวันลุ่ง อันเป็นใจใจทมินยืนยัดแย่ยัดยันท่านจึงคือคลายอํานาจจิตชายคนนั้น ผู้ใดอยู่เบื้องหลังๆไม่ ที่เราไปทั้งหมดนี้ดําไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันเป็น หลวงปู่มั่นภูริทัตโต